สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่ห้าสิบหกนะครับที่นาซาเ็สพระเจ้านะครับปรากฏอยู่ในเรื่องลูกานะครับบทที่สี่ข้อสิบหกถึงสามสิบนะครับถ้าว่าพี่น้องมีพระวรสารของพระเจ้าคมภี์อยู่ในมือของท่านกรุณาเปิดดูตามไปนะครับวัตถุประสงค์ของคัมภีร์ตอนนี้ทําให้เรารู้ว่าคนที่รู้จักพระเยซูมาตลอดนะครับที่นาซาเ็สซึ่งเป็น เ ม, เมืองที่พระเยซูเติบโตมาตลอดชีวิตนั้นไม่ได้ต้อนรับพระองค์ครับเหมือนกับพบางทีที่อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งนะครับบอกว่าพระเยซูเสด็จมาอย่างบ้านเมืองของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์นั้นหาได้ต้อนรับพระองค์ไม่ประการที่สองครับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในบทนี้นะครับก็คือหลายๆครั้งนะครับเราอาจจะต้องเข้าใจและรู้สึกนะครับว่าเวลาที่เรามาเป็นคริสเตียน เวลาที่เราปรารถนาที่จะทําตามน้ำมันไทยของพระเจ้านะครับในแสถานการณ์ต่างๆนั้นเราอาจจะต้องถูกคนในครอบครัวทอดทิ้งรู้ถูกเพื่อนนะครับตําหนิหาว่าเราเป็นคนที่เคร่งศาสนาบ้างหาว่าเราเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้บ้างนะครับทําไมเราจะต้องทําแบบนี้นะครับทําไมเราจะต้องแปกแยกไม่เหมือนคนอื่นเราจะไม่ทําสิ่งนี้สิ่งนั้นนะครับพี่น้องครับ หลายๆครั้งในขณะที่เราเดินในทางของพระเจ้านะครับเราจะต้องถูกคําประมาทคากล่าวหาต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งถูกครอบครัวทิ้งนะครับประการต่อไปครับเป็นวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อเราถูกทอดทิ้งนั้นพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราครับพระเจ้านั้นรักเราเสมอและพระองค์จะทรงยื่นพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ที่จะช่วยเรากู้เราออกจากสถานการณ์ที่ถูกทอดทิ้งนั้น และก็โปรงจะไม่ปล่อยให้ลูกของโปรงถูกทอกชิ้นเด็ดขาดนะครับพี่น้องครับพระเยซูทรงสั่งสอนในธรรมศาลาที่นาซาเร็สในข้อที่สิบหกนะครับของลูกาบทที่สี่ในเช้าวันนี้นะครับได้บันทึกว่าพระเยซูทรงสเสด็จกลับมาที่นาซาเร็สที่ซึ่งโปรงเจริญวัยขึ้นพี่น้องครับเรารู้ว่าพระเยซูบังเกิดที่เบดเลเฮมใช่ไหมครับและอยู่กับปิดามารดาตอนที่นี้ออกจากอียิปต์หนีกษัตริย์เฮโรดไปช่วระยะหนึ่งหลังจากนั้นกษัตริย์เฮโรดได้สิ้นพระชน บิดามารดาของพระเยซูคือโยเซฟและมารีนั้นก็กลับมาอยู่ที่น่สเลตตั้งแต่เด็กจนโตพระเยซูก็เติบโตที่น่สเลตนะครับและคุ้นเคยกับธรรมเนียมและธรรมศาลาที่แหนสส่สเ็ตเป็นธรมเนียมที่เด็กหนุ่มชาวยิวนะครับจะต้องเรียนรู้งานอาชีพและสืบทอดอาชีพของบิดาเริ่มงานของตัวเองก็ประมาณราวสามสิบปีครับเนื่องจากขนบธรำเนียมดังกล่าวเท่างครับเมื่อพระเยซูทรงมีพระชนมายุสาสิบปี พระเยซูก็เริ่มงานของตัวเองก็คือางานรับใช้พระเจ้าครับแทนที่จะไปรับใช้บิดาเพราะว่าสามสิบปีแรกเป็นสามสิบปีที่จะต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หลังจากเติบใหญ่แล้วจะต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่นะครับพออายุสามสิบนะครับก่อนสามสิบจะต้องอยู่กับบ้านหลังสามสิบนะครับก็สามารถที่จะเป็นอิสระและเมื่อพระเยซูนั้นเป็นอิสระนะครับเริ่มงานของพระองค์เองนะครับก็คือสามสิบปีนั่นเอง พี่น้องถ้าว่าสังเกต ด, ดูช่วงเวลาที่พระเยซูเริ่มนะครับพระราชกิจของพระองค์เราแน่ใจนะครับว่าพระเยซูนั้นใช้เวลาอยู่ที่นาซาเร็์นั้นน่าจะอย่างน้อย25ปีด้วยกันครับเพราะฉะนั้นใครๆที่เมืองนาซาเรตก็รู้จักดีนะครับว่าพระเยซูเป็นใครเพิ่มีบันทึกว่าพวกเขาบอกว่าพระเยซูเป็นบุตรของมารีกับโยเซ่นะครับนอกจากนั้นมารดาของพระเยซูคือมาเฟนั้นยังมีน้องชาย น้องสาวอาศัยอยู่ที่นาซาเลสด้วยเหมือนกันพี่น้องครับพปียชูไม่ใช่ลูกโทนนะครับแต่ว่าคุณแม่ของพปียชูคือนางมารีท่านก็มีลูกกับโยเซฟนะครับต่อมาอีกหลายคนพี่น้องครับเมืองนาซาเลตนั้นตั้งอยู่บนภูเขาใกล้แควนในแควนในแควนกาลิลีนะครับผู้คนอาศัยอยู่ประมาณในสมัยนั้นประมาณสองหมื่นคนครับถ้าว่าเรายือนอยู่บนภูเขานะครับมองลงมาที่เมือง นาสเสล็ดเราก็จะเห็นทางหลักนะครับเรียกว่าทางหลวงเชื่อมต่อระหว่างเมืองต่างๆเนะั้นมีอยู่สามสายด้วยกันครับสายแรกชุดนั้นเป็นถนนจา ก, นนกทางใต้นะครับต่อมาก็คือเป็นถนนเรียบทะเลอันเป็นเส้นทางของกองคาราวานระหว่างดามัสกัสกับอียิปต์ดามัสกัสตั้นอยู่ทางเหนือนครับอียิปต์อยู่ทางใต้นะครับของแผ่นดินคะแนนอันหรือแผ่นดินแห่งพันธสัญญานั้นพี่รองครับ ดามัสกัสนะครับก็เป็นเมืองหลวงของซีเรียนะครับ่วนอียิปต์นะครับก็จะเป็นประเทศที่มีเป็นมหาอำนาจนะครับก็จะมีถนนเชื่อมครับและถนนนี้ก็จะตัดผ่านเมืองนานซ์เลต ด, ด้วยกันและก็จะมีถนนอีกสายหนึ่งครับเป็นถนนมุ่งสู่ตะนออกเป็นเส้นทางของกองคาราวานจากอาหรับีนะครับเพราะฉะนั้นมีถนน สามสายหลักนะครับสายแรกสรุปนะครับเป็นจากทางใต้ต่อมาก็จะเป็นถนนเลียบทะเลแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นถนนตะวันออกนะครับพี่น้องครับผู้คนรู้รู้จักพระเยซูดีนะครับในนาสเร็สและรู้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นรับบีหรือใ บ, บเป็นอาจารย์และกิจศัพท์ของพระองค์ในเรื่องที่พระเยซูทรงกระทําก็เรื่องลีมา ถึงนาเสด็จแล้วในในเวลานนในเวลานั้นคือเหตุการณ์ที่อยู่ในลูกาบทที่สี่นะครับในข้อที่สิบหกเราได้บันทึกว่าพระเยซูเสด็จไปยังสาราธรรมในวันสะบาโตซึ่งเป็นกิจวัตรปกติของพระองค์และเป็นธรรมดาเที่พระเยซูได้รับเชิญให้อ่านพระคัมภีรในข้อสิบหกนะครับกล่าวว่าพระเยซูทรงยืนขึ้นมาเพื่ออ่านพระวจนะอ่านพระคำเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับคือยืนขณะอ่านพระคัมภี์และนั่งอยู่ขณะที่ฟังคําอธิบายหรือ ผู้ที่อธิบายนะครับจะต้องนั่งด้วยนะครับเปียซูไม่ได้เป็นผู้เลือกข้อมีตอนที่จะอ่าในข้อสิบเจ็ดกล่าวว่าพาระเยซูส่งรับพระธรรมอิสยาห์ซึ่งเขาส่งมาให้อ่านในสมัยนั้นครับพี่น้องครับพระมังพีบันทึกไว้ในม้วนหนังนะครับอารักษ์จะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่คันลอพระมัมภีร์ดูแลธรรมศาลาและผิดชอบในการเก็บม้วนพระธรรมเหล่านี้นะครับแล้วก็มีหน้าที่ที่จะหยิบม้วนพระธรรมออกมา และเก็บเข้าไว้ดังเดิมทำความสะอาดธรรมศาลานะครับในวันสมาโตนะครับก็จะมีการเป่าเป่าแตรสามครั้งนะแต่จากดาดฟ้าธรรมศาลาเหมือนกับโบสถ์สมัยนี้ก็องมีการสั่นละครัครบบางครั้งพวกอาลักษณ์นี้จะต้องทำหน้าที่สอนในโรงเรียนประจำหมู่บ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับในข้อที่สิบแปดสิบเก้านะครับกล่าวถึงข้อพระคัมภีรที่อิสยานะครับที่จากอิสยาะับที่พระเยซูทรงอ่าน รเรามาดูกันนะครับว่าพระเยซูทรงอ่านว่าอะไรบ้างในพระเจาพระเจ้านะครับลูกาบทที่สี่ข้อสิบแปดสิบเก้ากล่าวว่าพระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนําข่าวดีมายังคนยากจนพรงได้ทรงใช้ข้าพระเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดานฉเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกให้ปล่อยผู้ถูกบีบังคับเป็นอิสระและให้ประกาศไปแห่งความโปรดปานของ พระเจ้าเรื่องครับพ ร, พระเจ้าก็กล่าวต่อไปว่าหลังจากจบคําว่าประกาศปีแห่งความโปรดป้าวของพระเจ้าพระเยซูก็ทรงปิดนะครับพระอัพีตอนนี้หมายความว่าม้วนนะครับม้วนกลับเข้าไปนะครับซึ่งพระอัพีตอนนี้นะครับเป็นพระคำอิสยาอยู่ในบทที่หกสิบเอ็ดข้อที่หนึ่งและข้อที่สองนะครับ ถ้าเราเปิดพระมัทิวอิสยาไปด้วยเปรียบเทียบนะครับในบทที่หกสิบเอ็ดกับบทที่สี่้อที่สิบแปดสิบเก้าของลูกานะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงหยุดอ่านในตอนกลางของอิสยาบทที่หกสิบเอ็ดข้อสองครับนะครับแล้วก็เสริมว่ารีจากอิสยาบทที่ห้าสิบแปดข้อหกนะฮะี่น้องสังเกตดูนะครับพระเยซูไม่ได้เพียงแต่อ่านพระคัมภีร์หากทรงสรุปภารกิจ ซึ่งพระองค์จะทรงกระทําขณะที่อยู่ในโลกนี้เราจะเรียกพระบรมเพีตอนนี้ในอิสยาว่าตอนที่ว่าด้วยพระเมสสิยาหรือเรียกว่าเมสไซนิกนะครับเมสสานิคที่เกี่ยวข้องกับพระเมสสิยาหนั่นเองเพราะเนื่องจากนี่เป็นทรัพยากรครับที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูทรงเป็นพระเมยสสิยานะครับในข้อที่ยี่สิบครับในข้อที่ยี่สิบเราจะพบว่าพระเยซูทรงม้วนพระบรมเพีย์ทรงคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วก็ทรงนั่งลง อธิบายพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ได้อ่านไปในพระคัมภีร์นะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าพระคัมภีร์บันทึกว่าตาของคนทั้งปวงในธรรมศาลาก็เพ่งอยู่พระองค์เปเยซูตรัสว่าคัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สําเร็จในวันนี้แล้วเปเยซูกำบอกว่าเปเยซูเป็นใครนะครับโดยนัยยะแล้วพระเยซูนั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในกณะเดียวกันเปเยซูก็เป็นผู้ที่เรียกว่าพระเมสสิยา ซึ่งพระเจ้าส่งมานะครับพระองค์กําลังบอกให้ผู้ฟังพระองค์ทราบว่าเพิ่มพีตอนนี้กล่าวถึงพระองค์เองในข้อยีดสอนครับบันทึกว่าผู้ฟังนั้นประทับใจเลยเขาดําระรและคําสอนของพระองค์แต่ไม่ได้เข้าใจความหมายของคําสัตย์ของพระเยซูพวกเขากลับพูดว่าคนนี้เป็นบุตรโยเซฟไม่ใช่หรือพี่น้องเห็นไหมครับผู้ฟังประทับใจนะครับ ในอากัศกริยาในช่วงท่านะครับหรือในคำสอนแต่ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจแต่เขาก็ถามกันว่าคนนี้เป็นบุตรโยเซฟมิเชลหรือพี่น้องครับหลังจากนั้นพีเอสูก็ตรัสความจริงสัจธรรมนะครับที่บูดว่าผู้เผยพระฉจานั้นจะไม่ได้รับการต้อนรับในเมืองของตนพีเอสูทรงรู้ครับว่าชาวเมืองนีะะ่ยนั้นไม่ดับไม่ได้ไม่ยอมรับพระดรัส ไม่ยอมรับการสอนครับเพราะเขาไม่เข้าใจเพราะเขารู้ว่าคนเนี้ยเป็นพระเมสสิยาไม่ได้หรอกเพราะใครครับเป็นลูกของโยเซมารีผู้ซึ่งเป็นช่างไม้นะครับไม่ใช่เป็นช่างไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกนะครับก็เป็นครอบครัวธรรมดาสามัญชนผู้เผยพระชนะจะมาจากนาซีได้หรือนะครับผู้เผยพระชนะจะมาจากครอบครัวที่ดูเหมือนว่าจะเป็นช่างไม้ได้หรือ กษัตริย์ที่รับการเจิมจะมาจากสิ่งที่ต่ําต้อยขณะนี้ได้หรือผู้เผยพรนะจริงระดัการต้อนรับในเมืองของตนพี่น้องครับหากว่าในชีวิตของเรานะครับไม่ได้รับการต้อนรับในครอบครัวใหญ่ของเราหรือในที่เดียที่เราเกิดนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียใจขอพระเจ้าเสริมกําลังเรานะครับพระเยซูก็พบกับเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกัน Amen.